อังคุลิมาลสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่ามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านธนาตะบินทิกษเศรษฐีในพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหละในเว่นแคว้นของพระเจ้าเปรสินที่โกศลมีโจรชื่อว่าองคุลิมาน เป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายหงคุลีมานโจร น, นั้นกระทาบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทานิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวง ส่งไว้ก็ครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปบินตบาทในอย่างพระนักรสาวธีร์ครั้นแล้วในเวลาภายหลังอาหารเสด็จกลับจากการบินตบาทแล้วทรงเก็บเสนาสนะทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องคุริมานโจนนั้น ซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จดําเนินไปตามทางที่โจรองค์ุลีมานซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านสมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อองค์ุลีมานเป็นคนหยาบช้า มีฝ่ามือเพื่อนเลือดบักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลีมานโจร น, นั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมชนบทไม่ให้เป็นนิคมและชนบทเขาเก่น์ฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงท่งไว้ข้าแต่ท่านสมณนะพวกบุตรสิบคนก็ดี20สิบคนก็ดี สาคน40คนก็ตามย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลีมานโจนนั้นเมื่อคนพวกนั้นกราบทูนอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ส่งนิ่งได้เสด็จไปแล้วแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัต และพวกชาวนาที่เดินมาก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนอย่างครั้งแรกนั้นอีกเหมือนกันแม้ครั้งที่สพวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินมาก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างครั้งแรกอีกเหมือนกันในที่นั้นพระผู้มีพระภาคก็สรงนิ่ง ได้เสด็จไปแล้วองคุลีมานโจรนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลรันแล้วเขาได้มีความดมริว่าน่าสะรจนจริงเนอไม่เคยมีเลยพวกบุตรสิบคนก็ดียี่สิบคนก็ดีส0สหรือ4ี่สิบคนก็ตามก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ แม้พวกบุรุษนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือของเราเออก็สมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนชะรอยจะมาคมถ้าไกรเราจะพึงปลงสมณะนี้เสียจากชีวิตเถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจนก็ถือดาบและโลภูกสอดธนูและแร้งสอนเดินตามพระผู้มีพระภาคไปทางด้านหลัง นั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยประการที่องค์กุลิมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลังแต่ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติได้ครั้งนั้นองค์กุลิมานโจรได้มีความดาริอย่างนี้ว่าน่าจะ จ, จริงจิงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อน แม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกำลังแล่นหรือกวางเนื้อสายกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังอย่างนี้ยังไม่อาจทันสมณนะซึ่งเดินไปตามปกติได้ในที่นั้นองคุลิมานโจรจึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า จงหยุดก่อนสมณนะจงหยุดก่อนสมณนะในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดในครั้งนั้นองคุลิมานโจนมีความคิดว่าพวกสมณะสักยะบุตรเหล่านี้มักเป็นคนพูดจริงมีปติญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เดียว กลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลีมานท่านเล่าจงหยุดเถิดถ้าไกรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดในที่นั้นองคุลีมานโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่าดูก่อนจมณนะท่านกาลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุด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 ในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดในที่นั้นองคกลีมานโจนได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าดูก่อนสมนะท่านอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่ เพื่อจะสงเคระ า, ร ะ, าระห์ข้าพเจ้าซิ่งกำลนาเนอข้าพเจ้านั้นจะประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านแต่ที่นั้นองคุลิมานโจรได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกที่มีหน้าผาโกรกชันแล้วได้ถวายบังคมที่พระบาททั้งสองของพระสุคตและได้ทูลขอบันประชาในะที่นั้นนั่นเอง ก็แลพระผู้มีพระภาคทรงประกอบด้วยคุณาทรงแสแบงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเยวโลกได้ตรัสกับองคุรีมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดนี่แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุรีมานโจรนั้นในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระองคุลีมานเป็นปัจฉาสมณะเสด จ, จาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วก็ได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิเศเรษฐีก็สมัยนั้นมูมหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระชาปเศสนิโกศล ทรงเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมุติเทพในแว่นแคว้งของพระองค์มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ตั้งหลายองคุลีมานโจรนั้นกระทํามบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมและชนบทไม่ให้เป็นนิคมและชนบทเขาเข็นฆ่า พ, พวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือ ร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพระองค์ทรงกำจัดมันเสียเถิดในครั้งนั้นพระเจ้าเปรเซนที่โุศลเสด็จออกจากพรนะนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณ500แล้วได้เสด็จไปยังเชตวันแต่ยังหัววันทีเดียวได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนั่งประทับอยู่หน้าที่ส่วนขวรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับพระเจาเรเซนที่โกศลอย่างนี้ว่ามหาปพิธผู้ใดทําพระองค์ให้ทรงขัดเกลื่องหรือหนอจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแควมคตหรือเจ้าฤชฉวีแห่งเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิบักเหล่าอื่นก็แต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์พิมพิสารหรือว่ากษัตริย์ ลิวีหรือว่าพระราชาปฏิปักเหล่าอื่นก็หาได้กระทําหม่อมฉันให้ขัดใจได้ไม่หากแต่ว่ามีโจรชื่อองคุริมานเกิดขึ้นในแว่นแคว้นของหม่อมฉันเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมุ่งมั่นอยู่แต่ในการประหาดประหารไม่มีความกรุณาปราณีในสัตว์ทั้งหลายองุริมานโจร น, นั้น กระทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้านกระทำนิคมและชนบทไม่ให้เป็นนิคมและชนบทเขาฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งหมู่มนุษย์นำนิ้วมือมาทำเป็นมลัยแขวนอยู่หม่อมฉันจักกำจัดมันเสียหาบพิษถ้าหมาปบพิษจะได้ทรงเห็นองคุลีมานปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นขาดจากการฆ่าการลักขโมยการพูดเท็จเป็นผู้มีการฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียวประพฤติพระมาจันมีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้แล้วจะทรงกระทําอย่างไรเล่าถ้าแต่พระองคู้เจริญมอมฉันก็จะอภิวาทจะลุกครับจะนิมนต์หรือเชื้อเชิญด้วยจีวร บ, บินบาตเสนาสะนะ ปั จ, จัยเภสัชบริการทั้งหลายหรือจากจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพระเจ้าข่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนทุศีลมีธรรมอันลามกนั้นจะกลายเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยศีลอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ไหนที่นั้นท่านพระองค์กุลีมานนั่งอยู่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงยกมือขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าเปรสเซนทิโกสนว่ามาบพิษนั่นและองคุลีมานในลำดับนั้นพระเจ้าเปรสเซนทิโกสนทรงมีความกลัวความหวาดหวั่นจนโลมาชาติชูชันคือคนลกสู้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพระเจ้าเปรสเซนทิโกศลอย่างนี้ว่าอย่ากลัวเลยมหาบพิษ อย่ากลัวเลยภัยจากองค์คุลีมานนี้ไม่มีแก่มหาปิฏในที่นั้นพระเจ้าประเศสนิโกศลระงรับความกลัวแล้วจึงเข้าไปทําความคุ้นเคยกับภิกษุองค์ุลีมานทรงปรวารณาด้วยปัจจัยสี่แก่ภิกษุองค์คุลีมานก็ในสมัยนั้นท่านพระองค์ุลีมานถือทุ้ดงกวัฏในการอยู่ป่าการเที่ยวบินธบาต ผ้าบองสกุลและผ้าสามผืนจึงได้กล่าวตอบพระเจ้าประเศนที่โกศนไปว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมาภาพปฏิบุรณ์แล้วในครั้งนั้นพระเจ้าประเศนที่โกศนได้กลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีเลย คือข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานบุคคลที่ใครๆครทรมานไม่ได้ทรงกระทําให้ระงรับซึ่งบุคคลที่ใครๆทําให้ระงรับไม่ได้ทรงกระทําความดับเย็นแก่บุคคลที่ยังไม่ดับเย็นได้แก่ข้อที่หม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดด้วยอาญาด้วยศรัทธาผู้นั้น พระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราในลําดับนั้นพระเจ้าเปรสเชนที่โกศลจึงได้กราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จหลีกไปในการต่อมาเป็นเวลาเช้าท่านพระองค์กุลีมานครองผ้านุ่ง ถือปาทและจีวรเข้าไปบินตาบาดในอย่างพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินตาบาดตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีผู้มีคันแก่หนักคือปวดท้องจะคลอดบุตรแต่คลอดไดย้ยากครั้นแล้วได้มีความนาริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองดังนี้หนอ แล้วท่านเที่ยวบินตะบัดในเมืองสาวัตถีในเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากบินตาบัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลเล่าเรื่องที่เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่หนักแล้วมีความํามิว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ ดังนี้ว่าอุงกรลีมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับเธอพูดนอนอยู่อย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยวาจาสัตว์นี้ขอความสวัส ด, ดีจงมีแก่ท่านขอความสวัส ด, ดี จงมีแก่ขันของท่านเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจะเป็นอันฆ่าพระองค์กล่าวเท็จ ท, ทั้งทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะฆ่าพระองค์แกล้งปลงสัตว์จากชีวิตเป็นอันมากพระเจ้าค่ะหุ่กุลิมานถ้ายอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์เสียจากชีวิตหาไม่ได้ด้วยวาจาสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดในที่นั้นพระองคุริมันได้เข้าไปหาหญิงที่คันแก่ปวดท้องคลอดได้ยาก ได้กล่าวคำนี้กับเธอว่าน้องหญิงตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาตินี้จะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งที่รู้ก็หาไม่ด้วยวาจาสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่ขันของท่านเถิดครั้งนั้นความสวัสดีได้มีแก่ขันของหญิงแล้ว คือเป็นผู้คลอดง่ายครั้งนั้นท่านพระองคุลีมานลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่แนวนั้นไม่นาหนักก็ได้กระทธรรมที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กลุบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวช เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้ท่านได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทำได้ทำสาเร็จแล้วสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็ท่านพระองคุลีมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้ว ในโลกก็ในเวลานั้นท่านพระองคุลีมานได้เข้าไปบินธบัตในเมืองสาวกถีก็ในเวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลกว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลีมานท่านพระองคุลีมานศีษะแตกโลหิตไหลบาทก็แตก ขาสังคติก็ฉีกขาดได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระองค์กุลิมานเดินมาแต่ไกลได้ตรัสคำนี้กับท่านว่าองคุลิมานเธอจงอดกั้นไว้เถิดเธอจงอดกั้นไว้เถิดเธอได้เสบยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไหมอยู่ในน ร, รกตลอดปีเป็นอันมาก ตลอดร้อยปีพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นในอีกสมัยหนึ่งท่านพระองคุลีมานไปสู่ที่ลับหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวได้เสวยมิมุติสุขเพลงอุทานนี้ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาในเวลานั้นว่ากผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาท เขาย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างดุดพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นภิกษุดใดแลยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในคำสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่ภิกษุผู้นั้นย่มอมย่างโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพลแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงควรขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตรบุรุษผู้ชวนให้ถือธรรมเถิด ขอจงคบความพองแผ้วคือขันติความสรรเสริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังธรรมตามการและขอจงกระทำตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครใอื่นนั้นเลยผู้ถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุง้งและที่มั่นคง ไ้ทดน้ำยังนําน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกสอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ชันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแสบ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว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 มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรสนาแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเพื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลีมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรสะะแล้วจึงถอนตัญหาอันจะนำไปสู่ภพเสียได้เรากระทำกรรมที่จะต้องให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแล้ว เป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคภาชนะพวกชนที่เป็นคนพาลซามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทส่วนนักปราดทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชม ด้วยความสามารถความยินดีในการมเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพยบุญการที่เรามาสู่คำสอนของพุทธนี้ได้นั้นเป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจาแนกไว้ดีแล้ว เราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนั้นแล้วการที่เราได้ถึงธรรมอันประเสริฐสุดนั้นเป็นการดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นความคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทาได้แล้วดังนี้